25. อัญญะติทิยะปุพกถาว่าด้วยภิกษุผู้เคยเป็นอัญญะเดียรถีติทิยาปริวาสข้อแปสมัยนั้นภิกษุผู้เคยเป็นอัญญะเดียรถีถูกพระอุปชาว่ากล่าวโดยชอบธรรมได้โต้เถียงพระอุปชาไปเข้ารีดเดียรถีดังเดิมแล้วกลับมาขออุปสมบทกับภิกษุอีกภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เคยเป็นอัญญะเดียร์ีถูกพระอุปช่าว่ากล่าวโดยชอบธรรมได้โต้เถียงพระอุปชาไปเข้ารีดเดียร์ีดังเดิมมาแล้วทรงไม่พึงให้อุปสมบทภิกษุทั้งหลายแม้ผู้อื่นที่เคยเป็นอัญญะเดียร์ถีหวังบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้พึงให้ผู้นั้นอยู่ปริวาสสี่เดือน